คือเวลานั้งที่พูดถึงเรื่องการมองเนี่ยนะครับเมื่อตะ ก, กี้เราพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมมีหลายท่านอาจจะนั่งฟังว่าเอ๊ะการปฏิบัติธรรมมันไกลเหลือเกินมันเป็นสิ่งที่อยู่เป้าหมายไกลมากที่เราจะเห็นเห็นทุกหรือไม่เป็นทุกเนี่ยนะครั บ, รบซึ่งนั่นเป็นปลายทางครับแต่ขอให้พวกเรามีความรู้สึกอย่างนี้ครับว่าบนเส้นทางที่จะไปสู่ปลายทางนั้นนะแต่จริงจริงรายทางที่เราจะผ่านไปเนี่ยก็มี ทิวทัศน์สิงงดงามมีสิ่งงดงามมากมายจะปรากฏขึ้นมาให้เราได้สัมผัสเห็นนะครับเพราะการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เป็นเพียงกระโดดจากต้นทางไปสู่ปลายทางแต่รเราได้ดำเนินชีวิตไปสู่ปายทางทีนี้ในการปฏิบัติธรรมทั่วๆไปมันจะกี่คุณประสานพูดถึงเรื่องศรัทธานะครับ <c oughs> การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงก็คือมันก่อให้เกิดพลัง ศัทธานี่เป็นพลังอันที่หนึ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมศัทธาคือความรู้สึกได้ถึงความหมายที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งคําถามว่าทำไมสิ่งนี้ต้องมาเกิดขึ้นกับเราทําไมน้องชายต้องป่วยทําไมหมาต้องตายทําไมคนขับรถต้องชีวิตอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> มันมีความรู้สึกได้ถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันทําให้เราได้ผ่านพบเพราะสุดท้ายสิ่งที่มันเป็นความหมายในชีวิตเราต้องผ่านพบสิ่งเหล่านี้แต่จะ่าผ่านพบอย่างไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้ไม่มาลดทอนพลังในเนื้อในตัััวเเเราแต่่่่สิิิงงทีมมนนกดขึ้พพล ไอ้ตัวศรัทธาตัวความรู้สึกแบบนี้นะมันเป็นภาระมันเป็นอินทรีอินทรีคือหมายความเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันทําลายความสันไหวสงสัยได้ทีนี้เมื่อมันเกิดศรัทธาตัวนี้แล้วการปฏิบัติธรรมมันก่อให้เกิดวิริยะวิริยะคือความรู้สึกเรามีความสุขเหลือเกินที่จะดำเนินชีวิตไปบนความยากลําบากเหล่านี้มีคนจํานวนมากนะครับพอบอสพูดถึงวิริยะหมายถึงการต้องกดขมก่มจิตใจของตัวเองที่ต้องทารทนไม่ใช่ครับวิริยะคือเรามีความสุขเรามีความสุขที่จะได้มีชีวิตอยู่ และก็มีปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ผ่านเข้ามาในชีวิตเราก็ปัญหาเหล่านั้นมันทําให้เราเกิดการเรียนรู้สุดท้ายมันจะเกิดสติคือความรู้เกิดสัมภิญญาที่ที่มื่อกีเราพูดถึงเนี่ยนะครับแล้วเกิดสมาธิเกิดปัญญาสิ่งเหล่านี้เป็นหนทางที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะได้สัมผัสความงดงามแห่งชีวิตที่เราแต่ละคนต่างก็จะต้องผ่านไปไม่ได้หมายความว่าวันนี้เมื่อเราปฏิบัติธรรมพรุ่งนี้เราจะไม่เห็นและไม่เป็นอะไรอีกแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเรามีการปฏิบัติธรรมเหมือนกับการกินอาหารนะครับ ตั้งแต่ปลายช้อนแรกที่เราตักชิมมันอร่อยและทุกๆช้อนที่เราตักอาหารเคี้ยวกลืนลงไปมันอร่อยอร่อยจนเราลืมไปเลยว่าเราจะต้องหิว ล, ลืมไปเลยมันต้องอิ่มแต่มันรู้สึกอร่อยในชีวิตชีวิตของเราที่เราเบินในบนเส้นทางของการปฏิบัติธรรมก็มีความหมายเชกเช่นเดียวกับที่เราเคี้ยวกลืนอาหารและรู้สึกอร่อยชีวิตเรามีรสชาติที่มีรสชาติหลากหลายถ้าเรารู้จักสัมผัสนะครับเราจะรู้เลยนะครับเหมือนกับอาหารรสขมถ้าเราไปกินจะเพราะขมมันก็ไม่อร่อย รสเปรี้ยวเฉพาไปกินเฉพาะเปรี้ยวมันก็ไม่อร่อยรสเผ็ดกินเฉพาะเผ็ดมันก็ไม่อร่อยแต่เมื่อใดที่เปรี้ยวหวานเผ็ดมันเหล่านี้ทําออกมาเป็นต้มยําที่อร่อยซดน้ำหูน้ําตาไหลแต่เราก็รู้สึกอร่อย <c oughs> ชีวิตก็เป็นเช่นนั้นครับการปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมคือไปสู่จุ ด, จ, ดจุดหนึ่งซึ่งไม่เป็นอะไรเลยแต่การปฏิบัติธรรมทำให้เรารู้จักเป็นสิ่งเหล่านั้นอย่างรู้เท่าทันครับมันเหมือนฟังดูแล้วมันเหมือนกับทุกคนมีสิทธิ์เกิดวิธีหรือว่า การคิดได้อย่างนี้เกิดขึ้นได้มันเป็นธรรมชาติที่จริงๆล้วพร้อมจะมีกันอยู่ทุกคนเพียงแต่ว่า<ม>ทําไมเราถึงไปสัมผัสจุดนั้นข้ามจุดนั้นแบบที่น้องเต้ยข้ามไม่ได้ในบางครั้งที่เราจมกับทุกข์ใช่ไหมคะถ้าจะจมอยู่นานเต้ยก็จมได้แต่มันมีจุดหนึ่งปลื้ดขึ้นมาก็เหมือนเราตกลงไปในน้ำนะขอทอดถึงแม้ว่าจะว่ายน้ํนาไม่เป็นแต่ถ้าเราตกลงไปในกระแสน้ําที่เชี่ยวไม่มีหลักครับที่เราจะปล่อยมือปล่อยตีนให้มันจมน้ําไปเฉยๆเราก็ต้อง กระแส ก, กระสนดิ้นรนที่จะเอาชีวิตอยู่ใช่ไหมครับ <laughs> แต่แน่นอนถ้าเราฝึกว่ายน้ําเป็นไปบ้างก่อนแล้วเราจะสนุกกับการว่ายน้าและที่สําคัญไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยครับกระแสน้ําที่เชี่ยวกรากถ้าเราว่ายน้ำเป็นเราก็มีความสนุกสนานในการว่ายน้ําและผมก็จะมาในชีวิตของเราเช่นเดียวกันการที่เรามาปฏิบัติธรรมก็เหมือนมาบ่มเพาะให้เกิดทักษะในการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายไม่ว่าจะเกิดปัญหาไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคไม่ว่าจะผ่านพบอะไรในชีวิตนี้และตรงนี้นะคือผมว่าใจสําคัญของการที่เราพูดถึงการปฏิบัติธรรมที่เราพูด และความหมายที่น้องเต้พูดมาากเมื่อตะกี้มาถึงวันนี้น้องเต้ก็กลั้งใจหนิใช่ไหมครับแตุดท้ายน้องชายเขาก็หายป่วย<ะ>ความหายป่วยของน้องชายกลายมาเป็นความปรับปรื่มปิติยินดีะนะครับซึ่งความจริงแล้วก็คือนี่เป็นภาวะปกติครับและที่<ะ>เราสามารถจะสัมผัสความหมายนี้ได้เพราะฉะนั้นต่อไปวันข้างหน้าก็อาจจะมีคนนู้นคนนี้เจ็บป่วยแต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งปกติ<ะ>ที่เราจะต้องดูแลรักษาและต้องเอาใจใส่กันจตุ่ดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้ทําให้เราจม จมลงไปในอารมณ์จมลงไในความรู้สึกนั้นจะทําให้เรารู้สึกรู้ได้ว่านี้เป็นภาวะที่เป็นปกติจริงๆขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาต้องขอบคุณแบบว่าช่วงที่ผ่านมาหนึ่งเดือน น, น, นะคะมันทำให้ให้เราได้ได้เห็นอะไรที่มันค่อนข้างเยอะจริงๆอะคะ่ะ อย่างที่อาจารย์ประมวลบอกคือถ้าสมมุติว่าเราม่แต่นั่งคิดว่าทําไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับเราด้วยแล้วก็แย่ๆๆไปแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นขอบคุณดีกว่าค่ะขอบคุณที่ทําให้เราได้เจอเรื่องแบบนี้ทําให้เราได้เรียนรู้เรื่องแบบนี้มันน่าจะมีคุณค่ากับกับการดําเนินชีวิตต่อไปแล้วก็การที่มันทําให้เรามีพลังมากขึ้นในการที่จะเดินต่อไปค่ะนะคะทุกเดิมนะคะมันก็ทุกเรื่องเดิมน้องชายคนรถคุณย่าแต่ มันเปลี่ยนได้นะคะก็พอเขารู้เขาเข้าใจมันเขารู้ด้วยด้วยด้วยว่ามันมีอย่างที่มันขึ้นมาได้เอว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเกิดสิ่งนั้นเดี๋ยวคงต้องให้พระอาจารย์อธิบายแต่ว่าอันเนี้ยมันทําให้เห็นเลยว่าความต่างของการที่ไปอยู่จมอยู่ในทุกขกับเห็นแล้วไม่เป็นทุกข์เนี่ยมันช่างต่างกันอย่างมหาศาลนะคะเหมือนที่เสื้อของอาจารย์ประมวลอะนะคะรู้ชื่ อ, อถ้าอาจารย์จะอธิบาย ว่ามันจะช่วยให้เราพ้นทุกอย่างไงได้ไหมคะสั้นๆเกี่ยวกับไอ้คำว่ารู้ซื่อเนี่ยค่ะคือปกติเวลาเรารู้อะไรเนี่ยนะครับไม่ว่าตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงเราไม่รู้เฉยๆครับเราไม่หูซื่อๆแต่เรารู้แล้วเราคิดปรุงแต่งทีนี้ในการปรุงแต่งเนี่ยเรามีเชือ่อหรือมีความหมักหมมที่เรียาอาสวะอยู่ภายใน <c oughs> และความรู้สึกที่มันเกิดจากการคิดปรุงแต่งเนี่ยโดยธรรมชาติเราคิดในทางที่เลวร้ายในทางที่ลบ เจอคนเดินสวนทางมานะครับเขายิ้มให้เราเรายังคิดเลยว่าเขายิ้มย่อดเราจริงจริงคนที่เขายิ้มเขาไม่เขาไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ก็เรามีความรู้สึกหวานกลัวเรามีความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นความกลัวอยู่ภายในนึกถึงข้อเท็จจริงนะครับเมื่อเราอยู่ในความมืดได้ยินเสียงอะไรก็คิดปรุงแต่งให้หน้ากลัวได้เห็นภาพสั่นไหวอะไรก็คิดหน้ากลัวทั้งที่ความจริงความมืดเป็นบรรยากาศที่งดงามเป็นบรรยากาศที่ดีที่เราจะได้มีชีวิตอย่างนิ่งสงบเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราฝึกการรู้รู้ ภาษาพระจริงๆถ้าเกิว่ารู้สักว่ารู้ก็คือไม่เอาไปปรุงแต่งให้เกิดเป็นมวลทินก่อให้เกิดความเศร้าหมองก่อให้เกิดควา ม, มวุ่นไหวแต่ความจริงความคิดจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เลวร้ายนะครับแต่ เ, เนื่องจากว่าโดยปกติเราคิดไม่เป็นที่เรียกว่าไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นโยนิโสมนัสิการเขาเป็นอะโยนิโสมนัสิการเพราะถ้าเราจะคิดเราก็ต้องฝึกคิดให้เป็นคือฝึกคิดให้เป็นพลังขึ้นไปในฝึกคิดเกิดเป็นกุศล น, นะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็เพียงแค่ว่าคำว่าหูซื่อเนี่ยนะครับมันเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคถ้าเราไม่รู้ว่าจะถ้าคิดแล้วมันก็อย่าไปคิดมันแต่ทีนี้คำว่าอยากคิดมันโอมพูดง่ายแต่มันทำยากที่สุดครับ <laughs> ต่อเราอยู่กับโลกของความคิดจนเคยชินไม่ว่าจะเห็นอะไรไม่ว่าได้ยินอะไรเราไม่ใช่เพียงแค่สักว่าเห็นสักว่าได้ยินแต่เราคิดปรุงแต่งเสมอเพราะเทคนิคที่หลวงพ่อคำเขียนสอนพวกเราเนี่ยนะครับให้เราเริ่มต้นฝึกปฏิบัติและทันทีที่ถ้าว่าเราเกิดอะไรซึ่งเป็นความหวั่นไหวขึ้นมา ในการรับรู้ให้กลับมาสู่การปฏิบัติแบบนี้ผู้ซื้อผูซอ้ซื้อและคำมารู้เฉยๆที่ว่านี่นะครับจะเป็นศิลปะแห่งการดํารงชีวิตอยู่ที่ประเสริฐที่สุดและสุดท้ายถ้าเราทรําไปจนถึงกลายเป็นความชํชนานิชํานาญไม่ใช่เป็นเพียงแค่เราจะข้ามพ้นอุ ป, ปรสรรคธรรมดาธรรมดาในชีวิตเราจะข้ามพ้นค้วงทะเลงิงสังสารวัตรที่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดยางไม่รู้จักจบสิน้นและนี่เป็นศิลปะที่ผมว่จะใช้ได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ใช้ได้ตั้งแต่ข้ามทุกข์เล็กๆจนกระทั่ง ข้ามพ้นทุกข์ในสังสารวัตรครับ